หลักศรัทธาโดยสรุปโดยสรุปลักษณะที่ควรกล่าวถึงเพื่อเข้าใจความหมายบทบาทและความสำคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรมมีดังนี้ 1. ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาและกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้นที่สุด สศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความทราบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับและเป็นทางสืบทอดส่งต่อแก่ปัญญาได้มิใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะาทางฝ่ายอเวกหรืออิโมชั่นด้านเดียวคำว่าอเวก ในพจนานุกรมแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกความสะเทือนใจนะครับสศรัทธาที่เป็นฝ่ายรู้สึกฝ่ายอเวกด้านเดียวคือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียหรือแก้ไขให้ถูกต้องส่วนความรู้สึกฝ่ายอเวกที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นๆแต่จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 4. สศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความหมายสั้นๆว่าเป็นความทราบซึง้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็น คือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่ร้ใจให้อยากพิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้น ต, ต่อต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบันไดขั้นต้นสู่ความรู้ตรงข้ามกับความรู้สึกมอบใจให้แบบอาเวกซึ่งทาให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไป หาเพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องธรรมะหมวดใดก็ตามในพุทธธรรมถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปและตามปกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่งพร้อมกับที่มีปัญญาคุมเป็นข้อสุดท้ายแต่ในกรณีที่มีปัญญา ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาด้วยข้อที่ว่ามีศรัทธาและต้องมีปัญญาด้วยตัวอย่างมีมากมายเช่นสัมปรายิกาถะประกอบด้วยศรัท ธ, า ส, สธ า, า, าสัมปทาศีลสัมปทาจากคสัมปทาและปัญญาสัมปทาวุ ธ, ธิธรรมประกอบด้วย ศรัทธาศีลสุสตะจารคปัญญาภละและอินทรีย์ประกอบด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเวสาราชการณธรรมประกอบด้วยศรัทธาศีลพาหุสั จ, จวิริยารัมภาปัญญาอริยสัพรประกอบด้วย ศรัทธาศีลฮิริโอต ป, ปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาและอื่นๆแต่กรณีที่มีปัญญาไม่ต้องจาเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาเช่นอธิษฐานธรรมโพชฌงและนาถกรลนธรรมเป็นต้นดังนั้นปัญญาจึงสำคัญกว่าศรัทธาทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จาเป็น แม้ในแง่คุณสมบัติของบุคลคลผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีปัญญาสูงสุดเช่นพระสาวรีบุตรอ克拉สาวกเป็นต้นไม่ได้ถือเอาศรัทธาในศาสนาเป็นเกณฑ์6คุณประโยชน์ของศรัทธาเป็นไปในสองลักษณะคือในแนวหนึ่ง ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปีติซึ่งตามมาด้วยปสัสสติคือความสงบเย็นผ่อนคลายที่นำไปสู่ความสุขอันช่วยให้เกิดสมาธิเพื่อต่อไปสู่ปัญญาในที่สุดอีกแนวหนึ่งศรัทธาทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้นให้เห็นผลประจักษ์จริงจงแก่ตน ซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดคุณในประโยชน์ทั้งสองนี้จะเห็นว่าแม้จะได้แรงส่งจากความรู้สึกในฝ่ายเอาเวกแต่ต้องมีความฝ่ายประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาอันหนึ่งศรัทธาย่อมช่วยให้เกิดกำลังใจมีความเข้มแข็งหายกลัวได้ซึ่งจัดเข้าในวิริยะเหมือนกันเช่นในเรื่องทชชกสูตร พึงสังเกตด้วยว่าศรัทธาที่ไม่มีปัญญารองรับก็เป็นแรงส่งถึงสมาธิเหมือนกันอาจเป็นสมาธิขั้นสูงมากถึงเจโตวิมุตติชนิดที่ยังกำเริบกลับกลายได้แต่ติดจบอยู่แค่นั้นไม่ส่งผลต่อถึงปัญญาและอาจขัดขวางปัญญาด้วยส่วนศรัทธาที่มีปัญญากากับหนุนสมาธิให้เกิดขึ้น เพียงเพื่อเป็นพลังช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญายิ่งขึ้นไปอย่างสูงสุดคือให้เกิดปัญญาวิมุตติที่ทำให้เจโตวิมุตติไม่กำเริบ 7. จศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจัยจึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมาย นอกจากนี้แม้ตัวศรัทธานั่นเองจะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ก็เพราะได้คิดสืบสาวสอบคน้นมองเห็นเหตุผลและเข้าใจความจริงจนมั่นใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดใดโดยในยานี้ศรัทธาในพุทธธรรมจึงส่งเสริมการค้นคิดหาเหตุผลการขอร้องให้เชื่อก็ดีการบังคับให้ยอมรับความจริงตามที่กาหนดก็ดี การขู่ด้วยภัยแก่ผู้ไม่เชื่อก็ดีเป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรานี้ 8. ความเลื่อมสายศรัทธาติดในบุคคลถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกกร่องแม้แต่ความเลื่อมสายติดในองค์พระศ า, ศาสดาเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสีย เพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยความรู้สึกทางเอาเวกกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย 9. ส้าศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มร์เพราะตัวการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินก้าวหน้าต่อไปในมรคานี้คือปัญญา ที่พ่วงกำกับศรัทธานั้นต่างหากและศรัทธาที่จะถือว่าใช้ได้ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วยนอกจากนี้ท่านที่มีปัญญาสูงเช่นองค์พระพุทธเจ้าเองและพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเริ่มมรรคาที่ตัวปัญญาทีเดียวไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จาต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไปคือเริ่มที่โยนิโสมนสิการ ดังได้กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้เรื่องศรัทธาท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการสร้างสัมมาธิฐิไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหาก 10. แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั่นเองถ้าไม่ดำเนินต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจากแก่ตนก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงเพราะเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมันจัดเป็นการปฏิบัติธรรมผิดพลาดเพราะปฏิบัติยังขาดวัตถุประสงค์1 1แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สำคัญ แต่ในขั้นสูงสุดศรัทธาจะต้องหมดไปถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมายเพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้นโดยรู้ประจักษ์เห็นจริงด้วยตนเองและตราบใดที่ยังมีศรัทธาก็แสดงว่ายังต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอื่น ยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์โดยเหตุนี้ศรัท ธ, ธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอระหันต์แต่ตรงข้ามพระอระหันต์กลับมีคุณลักษณะว่าผู้ไม่มีศรัท ธ, ธาคืออสัต ธ, ธะซึ่งหมายความว่าได้รู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีก 12. โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคานี้ดำเนินมาโดยลำดับจากความเชื่อคือศรัทธามาเป็นความเห็นหรือเข้าใจโดยเหตุผลคือทิฏฐิจนเป็นการรู้เห็นคือญานนณทัศนะในที่สุดซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง 13สศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใดในสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงเกินไปแต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาดเพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธาอาจกลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธาผิดเช่นผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเองแต่กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตนในรูปอาหางการมมังการไป ซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง 14. ในระดับศีลหรือที่เรียกว่าศีลธรรมศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญซึ่งเกือ้อกูลมากทำให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกำลังเหนียวรั้งและต้านปะทะไม่ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเร้าเย้ายวนให้ทำความชั่ว อีกประการหนึ่งการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจําของกระแสความคิดเมื่อได้รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกินกำลังของศรัทธาที่มีอยู่กระแสความคิดก็จะวิ่งลั่นไปตามร่องหรือแนวทางที่ศรัทธาเตรียมไว้ทาให้ไม่คิดไปในทางอื่นหรือทางที่ผิด ศ, ศีลธรรมดังนั้นสาหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสศีล จึงดำรงอยู่ได้ดีด้วยศรัทธาศรัทธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมากโดยกลายเป็นตัวการขัดขวางการสร้างปัญญาเสเอง 15. ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญา หรือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่าเป็นระยะของศรัทธาคือก่อนก้าวสู่ปัญญาได้คร่าวๆ ค, คือระยะที่1สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นตามแนวกาลามสูตรระยะที่สองเป็นผู้คุ้มครองสัจจะ คือสัจจานุรักษ์คือยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จไม่ยืนกรานยึดติดแต่สิ่งที่ตนรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริงระยะที่สาม เมื่อรับฟังทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วพิจารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญาตนว่าเป็นสิ่งมีเหตุผลและเมื่อเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคำสอนหรือความเห็นนั้นๆเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลำเอียงมีปัญญาจึงเรื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป ระยะที่สนำสิ่งที่ใจรับมานั้นมาคบคิดทดสอบด้วยเหตุผลจนแน่แก่ใจตนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนจนทราบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไประยะที่ห้า ถ้ามีความเคลือบแคลงสงสัยรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์มุ่งปัญญามีใจด้วยอาหางการมะมมังการพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ศรัทธานั้นมั่นคงแน่นแฟน้นเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมัน